ธรรมบทแปลเรื่องช้างชื่อปาเวรกะภาคที่7เรื่องที่237พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันทรงบรารกช้างชื่อปาเวรกะของพระเจ้าโกศลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปปมาทรตา แปลว่าจงยินดีในความไม่ประมาทเป็นต้นตอนช้างของพระเจ้าโกศลติดลมดังได้สดับมาช้างนั้นในเวลายังหนุ่มมีกำลังมากเวลาต่อมาถูกกำลังลมชราตัดทอนเมื่อก้าวลงไปยังสะใหญ่สะหนึ่งจึงติดลม ขึ้นไม่ได้มหาชนเห็นช้างนั้นแล้วจึงสนทนากันขึ้นว่าช้างตัวนี้ยังหมดแรงได้เช่นนี้ราชาได้ทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสสั่งนายกวานช้างว่าจงไปเธอจงดึงช้างนั้นขึ้นจากลมเขาไปจำลองการรบขึ้นที่นั่น ให้ตีกล่องรบขึ้นแล้วช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมานะลุกขึ้นได้โดยเร็วขึ้นไปยืนบนบกได้พวกภิกษุเห็นสถานการณ์นั้นจึงกราบทูลแด้พระาศาสดาพระาศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช้างเชือกนั้นถอนตนขึ้นจากลมคือเปลือกตมธรรมดา ส่วนเธอทั้งหลายแล่นลงในลมคือกิเลสพราะฉะนั้นแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงเริ่มตั้งความเพียรโดยแาบขายแล้วถอนตนขึ้นจากลมคือกิเลสนั้นเถิดและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาว่าเธอทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากลมประหนึ่งช้างที่จมลงในเปลือกตมถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นบาลีว่าอัปมาทะระตาโหทะส จ, จิตตมนุรคัคขาทะทุกขาอุทธระถัตตานังปังเกสันโนวะกุญชะโรก็ในบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าอปมาทะระตาแปล ว, ว่าจงยินดีในความไม่ประมาทหมายความว่าท่านทั้งหลายจงยินดียิ่งในความไม่อยู่ปราศจากสติคำว่าสจิตตังแปล ว, ว่าจิตของตนหมายความว่าจงรักษาจิตของตนโดยอาการที่มันจะไม่ล่วงไปในอารมณ์ทั้งหลาย มีรูปเป็นตนคําว่าสันโนแปลว่าที่จมลงหมายความว่าช้างเชือกนั้นจมลงในเปือกตมแล้วพยายามด้วยเท้าหน้าและเท้าหลังถอนตนขึ้นพ้นจากเปือกตมขึ้นยืนอยู่บนบกได้ฉันใดแม้ทันทั้งหลายก็จงถอนตนขึ้นจากลมคือกิเลส ยังตนให้ํำรงอยู่บนบกคือพระนิพพานจะ น, นั้นเถิดในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นนำรงอยู่ในพระอรัตะผลแล้วแลเรื่องช้างชื่อปาเวรกะ